ก็ได้โอกาสเป็นวันดีวันหนึ่งที่จะได้มาบรรยายธรรมเทศนาตามที่สติจะคิดได้นึกออกณปัจจุบันนี้พวกเราเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าคนเหล่านั้นเกิดมาเพื่ออะไรกัน คนเราที่เกิดมานั้นไม่ว่าใครก็ล้วนมีอาชีพหน้าที่เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีและเป็นญาติโยมพระก็มีหน้าที่สวดมนต์ทาวัดบิณฑบาตโปรสัตว์จเจริญวิปัสสนากรรมฐานและบรรยายธรรมเทศนาเพื่อชี้ทางสว่างให้กับโยม แม่ชีก็มีอาชีพก็มีอาชีพหน้าที่ของแม่ชีคือทำวัดสดมนเจริญสติอุปถพพัมภะดูแลทำความสะอาดวัดเช่นเดียวกับญาติโยมทั้งหลายต่างคนก็มีสมาชีพเป็นของตัวเองมีหน้าที่เป็นของตัวเองคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีอาชีพหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่ นี่ต้องหาเงินเพื่อจะเลี้ยงดูลูกผัวเช่นเดียวกับลูกลูกก็มีอาชีพหน้าที่ของลูกคือเป็นนักเรียนหน้าที่ก็ต้องเรียนอาชีพแต่ละอาชีพนั้นก็ต้องดําเนินต่อไปโดยธรรมชาติพ่อแม่นั้นก็ต้องทํางาน หลังสู้หน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำงานงกงกงกเช้ายันเย็นไม่รู้ว่าเสียจะเสียเงื่อไปกี่ร้อยกี่ล้านหยดเพื่อที่จะหาตังมาเลี้ยงเมียผัวแล้วก็ลูกตัวเองพอลูกเราโตขึ้นมาก็ต้องมีงานมีการทำบางคนก็ ต้องออกต่างจังหวัดไปหางานทาบางคนก็ไปหาลูกบางคนก็ไปหาเมียหาผัวแต่งงานออกบ้านเรือยงไปไปอยู่บ้านเมียบ้านผัวสุดท้ายแล้วที่พ่อแม่ได้ทำมานั้นเหนื่อยมาทั้งชีวิตที่จะส่งเสียลูกลูกก็ต้องจากเราไปจากเราไปไม่พอไม่หน่ซ้ำ ไปมีลูกมีเมียมีลูกขึ้นมาก็คือหลานเราบางคนก็ยังส่งให้เราเลี้ยงอีกก็คือหลานเราเราก็ต้องเหนื่อยต่อไปอีกเหนื่อยที่จะทำงานเช้ายันค่ำที่จะหาเงินเลี้ยงหลานต่อไปชีวิตนี้เราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเกิดมานั้นสิ่งที่เราทำงานไปนั้นเราทำให้กับตัวเองมากกว่าหรือทำให้กับคนอื่นมากกว่า คนเ่านั้นเกิดมาเพื่อพัดภาคเพื่อจากในสิ่งที่รักต่อให้เรารักลูกขนาดไหนลูกลักเราขนาดไหนแต่เวลาจากกันตอนตายก็ตายไปพร้อมกันไม่ได้ถึงแม้จะกอดคอตายไปพร้อมกันได้ดวงจิตก็ไปด้วยกันไม่ได้ต่างดวงจิตต่างคนต่างวัละที่ต้องไปจุติ แล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่งของแต่ละบุคคลว่าจะได้ไปเกิดในที่ที่ดีนรกหรือสวรรค์คนเราทำอะไรก็ย่อมได้อย่างนั้นในสิ่งที่เราได้ทำบุญบาปนั้นมีจริงไม่ยนั้นคนเราเกิดมาทุกคนก็ต้องรวยเหมือนกันจนเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแต่บางคนกับรวย บางคนกับจนบางคนกับสวยบางคนกับหลอ่อก็แล้วแต่บุญทั้งหลายที่ได้บ่มเพนไว้ณนะขณะที่ยังมีชีวิตแต่ละพบแต่ละชาติอาตมาก็เคยมานั่งคิดว่า โอ้เนาะทาไมชีวิตวัยรุ่นเราถึงได้มาอยู่ในผ้าเหลืองทั้งที่ชีวิตพวกเพื่อนเพื่อเราวัยรุ่นทั่วไปทั้งหลายอยู่ข้างนอกนั้นได้กินได้เที่ยวมีแฟนไปไหนมาไหนเห็นมีความสุขไปทุกอย่างเราก็เลยคิดว่าแล้วทําไมละ่ะชีวิตเราถึงเป็นแบบนี้ถึงได้มาอยู่ในที่ที่นี้ พอวันหนึ่งเวลาผ่านไปตมาก็ได้สนทนากับพวกเพื่อนๆทั้งหลายก่อนอื่นก็จะขอกล่าวนำก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัยรุ่นที่มาบวชเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอาจจะมอง 80% อาจจะมองว่าทำตัวไม่ดีทางบ้านคงรับไม่ได้เลยตัดหางไปวัด หรือว่ามันเหลืออดที่สั่งสอนไม่ได้ก็เลยจับบวชบางคนก็อาจจะคิดว่าทางบ้านไม่มีตังค์เลยต้องมาบวชมาเรียนแต่ชีวิตอาตมานั้นตอนเป็นคารวะ น, นั้นแสนสุขสบายไม่เคยเหนื่อยไม่เคยลำบากเพราะมีคนใช้มีแม่บ้านเหมือนลูกเทวดาคนหนึ่งอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวแต่เราก็มานั่งคิดว่า เ, ออเราเป็นคารวาสเราก็เพียบพร้อมไปทุกอย่างเราไม่ได้ลำบากแล้วทำไมเราถึงได้มาอยู่ในที่ที่นี้ทำไมเราไม่ได้เที่ยวไม่ได้ทำอะไรเหมือนพวกเพื่อ น, เ, อนเหมือนวัยรุ่นทั้งหลายที่อยู่โลกภายนอกพอมาวันหนึง่งอาตมาก็ได้สนทนากับพวกเพื่อ น, อนก็เลยได้ธรรมะ จากสิ่งที่สงสัยนั้นสามข้อบางคนที่โทรมาก็มีปัญหาโทรมาปรึกษาว่าุงพี่หนูจะทำยังไงดีแฟนหนูเขาบอกเลิกแฟนหนูเขาไป ม, มีผัวใหม่แฟนหนูเขาจะทิ้งหนูต่างร้องไห้ฟูม่มฟายบางคนถึงกับจะฆ่าตัวตาย เราก็เลยคิดว่าโอ้นหนดีนะเนี่ยที่ณจุดจุดนี้ตอนนี้วัยนี้วัยรุ่นวัยที่เรากำลังเสี่ยงเราได้มาอยู่ในพระเหลืองถ้าเราอยู่เป็นโลกเราได้อยู่โลกภายนอกแบบเพื่อนๆ เ, เราคารวดเราอาจจะเป็นแบบเขาก็ได้เาอาจจะมีความทุกข์อาจจะร้องไห้เสียใจหรืออาจจะฆ่าตัวตายเพราะรักก็ได้จึงได้ธรรมะว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ ข้อสองเพื่อนก็เล่าประวัติว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคนที่เคยเรียนกันมาบางคนก็เรียนหนังสืออยู่เกิดไปมองหน้าผิดใจอะไรกันก็ไปไล่ยิงเขาจนสุดท้ายก็ต้องหนีไปอยู่ต่างจังหวัดบ้างหนีไปหลบไปอยู่ที่อื่นบ้างจน <c oughs> ต้องขาดเรียนไป ต่มาเลยคิดว่าเออนอนอดีนะเนี่ยที่ตอนนี้เราได้อยู่ในผ้าเหลืองไม่อย่งนั้นเราถ้าเราเป็นคารวาดเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่โชคร้ายเป็นคนที่ถูกยิงหรือไปไล่ยิงเขาจนให้เสียผลการเรียนและทาให้พ่อแม่เสียใจยและเป็นภาระให้กับสังคมเราก็เลยมาคิดว่าเออตอนนี้วัยเสี่ยงภัยของวัยรุ่นนี้เราได้อยู่ในโลกผ้าเหลือง อยู่ในทางความสงบนี้เราก็เรียนจบปริญญาตรีทั้งที่เพื่อนๆ เ, เราก็ยังเรียนไม่จบข้อสามเพื่อนๆนแต่ละคนตอนนี้ก็มีลูกไปหลายคนแล้วท้องไปหลายคนแล้วบางคนก็ทำแท้งเราก็เลยคิดว่าเออเนาะ ทำไมมันช่วงวัยรุ่นนี้มันเป็นช่วงที่เสี่ยงอันตรายจริงจริงดีนะที่เรายังอยู่ในนี้ไม่งั้นเราก็คงจะไปทำใครข้อท้องหรืออาจจะทำแท้งซึ่งเป็นบาปติดตัวไปจนวันตายภาคชีวิตเด็กชีวิตหนึ่งตมาก็เลยมานั่งคิดคำนวณว่าเออตอนนี้เรามีบุญเราดีแค่ไหนแล้วที่เราได้อยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในโลกของธรรมะนี้ได้เรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมศิลธรรมเพราะว่าคารวะทั้งหลายอาชีพที่ประกอบไปนั้นล้วนแต่หายากที่จะถูกตามสินห้าบางคนก็ทำอาชีพเชา้าประมงก็ต้องฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ตัดชีวิตบางคนก็อยู่ในอาชีพที่อยู่วนเวียนอยู่ในอบายมุก ล้วนแต่หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาเลยมานั่งคิดว่าณขนาดวัยรุ่นนี้เราได้มาบวชอยู่ในผ้าเหลืองนี้เราได้ถุทำคุณงามความดีเราไม่ได้เบียดเบียนได้ทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้โปรดบิดามารดาได้ให้ธรรมะก็เลยคิดว่าถ้าคืนนี้เรานอนหลับไป แล้วเราไม่มีลมหายใจซึ่งวันพรุ่งนี้ถือว่าชาตินี้ชีวิตนี้เราเกิดมาเราใช้คุ้มแล้วเพราะว่าก่อนตายนั้นคนเราขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่เราได้ทำไว้บางคนยังไม่ได้รู้จักวัดไม่ได้รู้จักการทำวัด สวดมนต์เจริญกรรมาฐานยังไม่รู้จากความสุขที่แท้จริงคนเหล่านี้ล้วนประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อบาปมากถามว่าเธอตายไปเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยจะได้ไปเกิดที่ไหนก็คงจะรู้คำตอบมันดีพอเราตายไปแล้วเราก็ต้องไปจุติ อีกมิติหนึ่งอยู่ที่ว่าจะเป็นนรกสวรรค์หรืออะไรเท่านั้นเองแล้วพอหมดกรรมหรือหมดบุญจากพบพบนั้นแล้วก็ต้องวนเวียนมาเกิดใหม่มาทุกข์มาทรมานใหม่มาทำงานหาเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกตัวเองเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ชอบหาบ่วงใส่คอ แล้วโยมทั้งหลายเคยคิดไหมว่าชีวิตนี้ชาตินี้ที่โยมได้เกิดมาเนี่ยโยมทำดีมาพอแล้วหรือยังก็ขออนุโมทนากับคนที่ได้ทำวัดสดมนจเจริญกรรมฐานส่วนคนที่ไม่ได้ทำนั้นก็แล้วแต่บุญพากำแต่งโยมทั้งหลายลองคิดดูสิว่า ถ้าหลังจากการกลับไปจากวัดครั้งนี้ถ้าเราได้นอนหลับไปแล้วเราไม่มีลมหายใจที่จะได้ตื่นมากับวันพรุ่งนี้เราใช้ชีวิตคุ้มแล้วหรือยังอันนี้ก็ยายทำมาพอสมควรแก่เวลาก็หวังว่า จะเป็นทำเล็กๆน้อยๆที่สามารถเตือนสติได้การเทศนั้นอาตมาไม่ได้หวังว่าทำให้ทุกคนได้เข้าใจขอแค่คนคนเดียวที่ได้รับฟังแล้วเข้าใจแล้วลองไปทำตามแค่นี้การเทศนาในครั้งนี้ก็ถือว่าบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้ก็ ถอนนิมนต์จเจริญพรค่อยๆถอนสมาธิ